เป็นข้อเบื้องต้นเมื่อสัมมาทิฏฐิแทบชอบแล้วสัมมาสังโปก็ดําริชอบสัมมาวาจาก็เป็นไปในทางชอบสัมมากรรมันโตการงานก็ชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตก็ชอบสัมมาสติก็ได้ชอบไปเป็นชั้นๆส ม, มาสมาธิก็ตั้งใจไว้ชอบไม่ใช่เมตขาสมาธิ สมาสติก็ระลึกชอบคือระลึกในกุศลผลบุญหรือระลึกในสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมสมาสังกปโปก็ดำริชอบลำดำริชอบคื อ, อยังไงดำริในการไม่พยาบาทในการไม่เบียดเบียนอยา่าก็ดำริชอบ การงานชอบคือเว้นจากกายฤทจิจิตสามสัมมากัมมันตนุคือเว้นจากรักรักทรัพย์ประพฤติผิดในการเรยกว่าการงานชอบสัมมาวายามะเพียนชอบคือยังไงเพียนให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานเพียนรักษากุรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียนระบาปบำเพ็ญบุญยดลงมาเป็นสองเพียนระความชั่วประพฤติความดีย่นลงมาเป็นสองถ้าพิสเสดังสัมมนาประทานเพี้ยนระวางมให้บาบเกิดขึ้นในสัณดานประหารประทานเพียนระบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประธานเพี้ยนระขุศน์เกิดขึ้นในสัณดานอนุรักษณนาประทานเพี้ยนระข้ากุศน์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมความเพียนสีอย่างนี้เรียกว่าสัมมาวายามมเป็นความเพียรชอบคนประกอบให้มีในตน ทยอนความเพี่ยนลงเป็นสองเพียนละความชั่วประพฤติความดีเป็นคําสอนของพุธทธเจ้าสงสายจงย่นอริยสัจสี่ลงเป็นสองทุกข์กับสมุทยัยทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์กับสมุทยัยนั่นสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดให้เว้นซะมักกับในโรโทษจงทําให้แก้ ย่นลงเป็นสองมรกก็คืออะไรคือมรรคแปดนั่นเองมรรคแปดก็ย่นลงเป็นสามคือตรสิกขาศิณสมาธิปัญญาอธิศนะิณสิกขาสิกขาคือศิญยิ่งอธนะิกิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิง่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิง่งแบ่งออกเป็นสี่ภาคอธิศนะิณสิกขาสิกขาคือศิญยิ่ง อธิขิตตะศเกขาเกขาคือกิตยิ่งอธิปัญญาเสขาเสขาคือปัญญายิ่งปัญญายิ่งไตรเสขายิ่งของพระโสดาบันไตรเกขายิ่งของพระสกทาคารีไตรเสขายิ่งของพระอนาคามีไตรเสขายิ่งของพระอรหันต์พระอรหันต์จบไตรเสขายิ่งแล้วสมาทิิของพระโสดาบันสมาทิิของพรกทาคารีสมาทิิของพระอนาคามี สมาธิิของพระหลานพระหลานเรียนสมาธิจบแล้วทั้งปฏิบัติปฏิยัติปฏิเวทด้วยสมาธิของพระหา์เออจิตโรคโกรธหลงเราเห็นชอบแล้วเราพ้นไปเลยสิ่งที่จะทำอีกไม่มีแล้วเรียกประสมาธิมหาสมาธิของพระหาน สมาธิเทิ่ยงข้าพสัตว์ดัันเออเรารู้จักทางเดินข้ามรอบปวดหลงแล้วเราไม่หลงแล้วก็สมาธิิขั้งต้นสมาธิตอนที่สองของจักกะทาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นสมาธิิของพระอนาคามีเออราคะโทสะของเราขาดไปแล้วยังโมหะนิดเดียวเดีย๋ยวก็สมาธิของ อนาคามีสมาสกปว a จ a กัมมันตโอชีวาวยมุสติสมาธิก็เหมือนกันไม่อยู่ระ ด, ดับเดียวกันระดับของปสวจาบันระดับของสกทาคามีระาาดับของพระอนาคามีระดับของผลานจะปฏิเสมอกันไม่ได้ตำกว่านั้นลงมาไม่นับเข้าบัญชีเลยพระบรมศาสีรเพราะเป็นโลภีเพราะเป็นกุปปธรรมเป็นธรรมที่สามารถจะกำเริบ เหตุนั้นจิงบัญญัติเพียงสุปฏิปนโนยุโยยยะสามีจิตเท่านั้นในพระพุทธศาสานา น, นี่เนอะสาวก ข, ของเราสถาคตพระบรมศาสดาไม่ได้บอกว่าทำเมกาทํามหาเนีกายหรือธรรมยุจหรือสายนั้นสายนี่เป็นสาวก ข, ของเราสุปฏิปนโนยุโยยยะสามีเท่านั้นเป็นสาวกของเราพระบรมศาสดาจะเป็นฆราวาสก็ตามก็เป็นสาวก ข, ของเราเหมือนกัน พรบรมศาสดาไว้ยืนยันอย่างนั้นไม่ใช่ว่ายืนยันว่ามหาเนกายเนี่ยธรรมยุทหรือสายนั่นสายนี่ไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นยืนยันแต่ว่าสุปัจจพโนโชโยยายะสามีเท่านั้นนี่เน้อสาวกของพระบูมีภาคเก้าเอสาววกของพระบูมีภาคเก้าอ้าหุนายโยปาหุ น, นายโยทักเินายโยอัญชลีคันนโยนุตรังคุลยักษตังโลกัตสาติเป็นผู้ควรควรของทรรมุญเป็นผู้ควรของกราบไหว้ ผู้ไหว้ไม่ต้องกระดาษกระเดืองอนุตรังเงี่ยมคุญญเกเศตังโลกัสสาติเป็นเขตบุญของโลกไม่ใช่เขตบาปเขตบาปของโลกก็นอกจากชูติปโนลงไปได้ ว, ว่าเขตบาปของโลกลาภยมุก็เขตบาปของโลก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 ผู้ที่จะเลือกใส่ระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่สร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วไม่ใช่กราอากาขอสราคาเป็นผู้สอบได้แล้วชั้นปฐมปีที่หนึ่งแล้วหรือถ้าเทียบใส่นักธรรมก็สอบได้นักธรรมตรีแล้วสื่อนสักทาคามีอนาคาง เปรียบเหมือนนักธรรมโทส่วนนักธรรมเอกก็เปรียบเหมือนพระหรหันย์ยกเป็นบุคคลาธิฐานชวนธรรมาธิฐานจะเรียนจบพระตไตรปิฎกสักเพียงใดก็ตามถ้ายังเสียดายรวงละเมิดศีลห้าอยู่ ข้ายัางเสียดายอยากเล่นอบายามุกอยูเสียดายอยากจะอยู่ยงคงกระพันอยู่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีอยู่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้อื่นอยู่เสียดายอยากจะค่าขายเครื่อประหารค้าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเนรื่องสัตว์ที่ตัวค่าเพื่อเป็นอาหาร เสยดาอยากจะค้าขายน้ำเมาเสียดายอยากจะคาา้าขายยาพิษเสียดาอยากจะจองเวรท่าผู้อื่นอยู่มันก็ไม่ใช่สุปฏิปโนเพื่องต้นของพระพุทธศาสนาถ้าไม่ถึงสุปฏิปโนแล้วอุชุยายะสามีจิจะมาจากประตูใดเล่าเพราะยังไม่เปิดประตูพระนิพพานสุปฏิปโนเปิดประตูพระนิพพานแล้ว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 ถ้าเราไม่เอาก็เท่ากับว่าเราพาเศษฐีมาค่าพาเศษฐีมาค่าคืออะไรผู้ที่ท่านถึงว่าพุทธธรรมประสงค์ผู้ที่ท่านมีศีลห้าบริบูรณ์และไม่สงสัยในพระพุทธรรมประสงค์เราเป็นผู้สงสัยอยู่และเราไม่ยินดีก็เท่ากับว่าพาเศษฐีมาค่า เพราะเรายังยังต่อสู้นายทุนทางกิเลสไม่ได้นายทุนทางกิเลสมันล่างสมองเรายะเถอะยะเถอะยเะยเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปรักษาสินธานเดี๋ยวมึงจะได้กินอะไรมันก็หยอดเข้ามากระชิบหูเนี่ยเพราะมันเก่งจะน i s จากมัน ยิเมันมากระชีบหูมึงจะมาคาัดค้านทำไมเขาไปเด้ยอวัยวะเขากรวยโย่เนี่ยบางทีกูเห็นเขามันมากระชีบหูมันเกรงว่าจะหนีจากมันเอาไปเอาไปเอาตามมันไปตามมันไปตามมันไปไฟไม่ขอนที่นี่หมดไปหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปพอรู้ตัวก็ ถั่วไพอรู้ตัวจะไปโทษใครเจ้นี่กรรมใดใครก่อก็อเราเป็นผู้ก่อขึ้นจะไปโทษใครเจ้นีพระบรมศาสด า, า, า, า, าก็บอกว่ากรรมที่ดีที่ชั่วก็พวกเราทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นเราตถาคต ก็เป็นเพียงชี้อบอกเท่านั้นจะทําแทนก็ไม่ได้หงื่อนอนง่วงนอนก็นอนเองกระหายน้ําก็ดื่มเองหิวอาหารก็ทานเองเราเป็นเพียงขี้อบอกเท่านั้นถ้าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราตถาคตก็ไม่สามารถรู้ทําได้พระบรมศาสดาถ้ามีอยู่ก่อน เราจึงสามารถรู้ธรรมเห็ดนั้นเราจึงเขารบธรรมแบบไม่สงสัยก็ได้กระเดืองเลยพระบรมศาล า, ศาเราไม่ถือว่าเราเป็นเจ้าธรรมเราถือว่าเราเป็นผู้มารู้ธรรมเฉยเป็นผู้จำแนกออกให้เห็นจำแนกเขาอ่านเป็นจำแหนกหรือจำแนกฮะ เขาใช้เสียงเป็นจำแนกหรือจำแนกฮะจำแนกนะเออจำแนกจำแนกไม่มีหอวนำหน้านะตำรวจไม่มีหัวนำหน้าทำไมถึงว่าตำรวจเราก็สงสัยอยู่นี่ประโยชน์อย่างนี้ก็ไม่มีหอวนำหน้าก็ใช่ตามความนิยมใช่ไหมตามความนิยมของเขา เช่นดังซื้อราวก็ดีไปกับไปกับไปกับไปก็มีความหมายอันเดียวกันพระไม่มีไม่เอกไม่โทรไม่ตีไม่จัตวาภาษาภาษีสานไปมากับมาก็อันเดียวกันแล้วแต่นิทานมันจะไปอยู่กับอยู่กับหยาก็กับอยู่กับอยู่ก็อันเดียวกัน แล้วแต่นิทามันจะไปสมมุติก็จริงตามสมมุติใครเป็นเจ้าของสมมุติวิมุติก็จริงตามวิมุติใครเป็นเจ้าของวิมุติใครเป็นเจ้าของบาปใครเป็นเจ้าของบุญไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าหากว่ามีเจ้าของคนไหนทำบาปก็ต้องไปขอเอากับคนนั่นเสียก่อนมันจึงจะเป็นบาป คนไหนทำบุญก็ต้องไปขอเอากับคนนั่นเสียก่อนจึงจะเป็นบุญไม่เป็นอย่างนั้นเหตุฉะนั้นจึงว่าทำทั้งหลายเป็นของกลางไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่นานผู้ใดเลยเราหลงอะไรทุกวันนน่สิ่งที่เราหลงใหญ่ๆมีอยู่ หลงของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงคือหนังหุ่มอยู่โดยรอบหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขคือหนัง MM หุ่มอยู่โดยรอบหลงของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนเอาจิงจริงจริงจริงนแกะไม่ได้คลายไม่ออกคือหนังหุ่มอยู่โดยรอบหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงาม หลงมาเป็นสุภะไอ้แท้แทมันเป็นอสุภะมันไม่สวยไม่งามเราก็สงมาปหลงกาเป็นของสวยของงามถ้าเราไม่หลงสี่ประการนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบองปลายรู้ตามเป็นจริงถ้าเราหลงอย่างนั้นก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิยังหยาบอยู่ เราจะแก้ความหลงหรือเราจะเพิ่มความหลงของเราอันนี้ก็เป็นปนัญหาที่เราควรคิดเราจะแก้โรคโรคโกรธหลงของเรามีหรือไม่เราต้องยอมจำนุนตนเองถ้าว่าโรคโกรธหลงของเรามีอยู่ด้วยปัญญาอันชัดการปฏิบัติเพื่อละของเราก็ไม่ควรปฏิเสธทนี่ การปฏิบัติเพื่อเหเห็นโทษของเราก็ปฏิเสธไม่ได้นั่นร่างกายของเราสกรปรกหรือไม่เราอาบน้าทำไมก็พระมันสกรปรกเราจึงยอมจำนวนอาบนา้ำถ้าจิตใจของเราสะอาดพอแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติสิ่งธรรมถ้าจิตใจของเราไม่มีโรคไม่มีขวดไม่มีหลงเราก็ไม่ต้องปฏิบัติสิลงธรรมพระไม่จาเป็น ร่างกายของเราถ้ามันไม่โสกปกเราก็ไม่ต้องอาบน้าเพราะไม่จาเป็นอันนี้มันโสกปกจริงๆเราจึงอาบไปเป็นวันๆส่วนจิตใจโสกปกทีนี้เราจะอาบน้าภายนอกมันจะออกไหมมันก็ไม่ออกจาเป็นก็ต้องปฏิบัติศีลธรรมโรคของเรามีไหมเมืองพอของเรามีไหมเมืองพอของเราไม่มีเหตุทีนั้นจึงดับสันดานมัน บริจาคออกที่ี่โกรธของเรามีไหมเราก็ปฏิเสธไม่ได้มันมีจริงเหตุนั้นจึงแผ่มเมตตาตนและมเมตตาผู้อื่นเพื่อไม่ให้มีเวรมีภัยหลงของเรามีไหมเราก็หลงจริงเพราะเราหลงว่ามันสวยมันงามเราหลงว่ามันเป็นของก่รังยังยืนเราหลงว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริง เขามาแ ย, ยบเท่ามึงไม่รู้จะ ก, กูหรือถ้าตายแล้วเขาข้าหัวเขาไม่ไถูกไหมนั่นมึงไม่รู้จะ ก, กูหรือมึงมองหน้ากูทําไมอะตายแล้วเขามองดู ก, ก็ไม่ว่ายัางไงถ้ากิเลสมีการปฏิบัติเพื่อบรรเทาและให้เงินแท่งหายไปก็ปฏิเสธไม่ได้นะ บางคนถือว่าตายแล้วเกิดหรือไม่ก็พูดถามก็ก้อนตายก้อนเกิดมาถามผู้ตอบก็เอาก้อนกายก้อนเกิดไปตอบกันก็ไม่ควรถามก็ไม่ควรตอบอีกเหมือนกันบาปมีบุญมีไหมผู้ถามเอาก้อนบาปก้อนบุญมาถามเพราะพูด ผู้ถามก็จะทำบาปทำบุญได้เหมือนกันผู้ตอบก็เอาก้อนบาปก้อนบุญไปตอบก็ไม่ควรถามกันอีกวิญญาณมีจริงไหมผู้ถามก็เอาโมโนวิญญาณไปถามผู้ตอบก็เอาโมโนวิญญาณไปตอบก็พีบาถามกันตอบกันอีกเหมือนกันคนตายแล้วเกิดไหม ผู้ถามก็เอาก้อนเกิดก้อนตายไปถามผู้ตอบก็เอาก้อนเกิดก้อนตายตอบก็ผีบ้าถามกันตอบกันกเหมือนกันทำแทะไม่มีมากเนอะทำไมจึงมีมากเพราะกิเลสมีมากถ้ากิเลสไม่มีมากทำแทะก็ไม่มาก ถ้าความหลงเมีนิดเดียวทำก็ต้องเมีนิดเดียวถ้าความโรคกรดหลงมากทำก็ต้องมากถ้าป่วยมากยารักษาโรค ก, ก็ต้องมากใช่ไหมถ้าป่วยหนักก็ต้องวางยาสูงตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าใจไม่ให้เป็นที่พึ่งของใจจะให้ผีตัวไหนมาเป็นที่พึ่ง ถ้าใจไม่เบียดเบียนใจสิจ่งอื่นๆก็เบียดเบียนใจไม่ได้ดินฟ้าอากาศก็เบียดเบียนใจไม่ได้ตาหูจมูกลิ่นกายมันก็เบียดเบียนไม่ได้ก็นอกจากใจไม่มีอันไดจะเบียดเบียนใจนอกจากใจก็ไม่มีใใจจะอะไร จ, จะทําดีให้ใจนัดอย่าไปโทษตาหูจมูกกลิ่นเลยอย่าไปโทษดินฟ้าอากาศเลยบางทีก็ไปให้คะีนนานทางแล้วสวัสดีปีใหม่ ชวดฉหรูขนันเถาะมาลงมาเสียงมาเมียมะเ ม, ม, เม ร, ร่ละกายกอคุณข้าพระเจ้านี่เองเป็นพูดสวัสดีเขาก็ไม่ไม่พูดทิจจันตังคารพุทธพระรหัสสุเสาวข้าพระเจ้านี่เองเป็นพูดสวัสดีหรือสวัสดิ์ชั่วหรือทั่วเขาก็ไม่พูดแต่เราหลงไปใส่ชื่อเรืนามเราทำดีก็ไปให้คะแนนอันอื่นเราทำชั่วก็ไปตูอ่อันอื่นมาทำมันก็ไม่ถูกัน เพื่อให้ปฏิบัติง่ายใจเปรียบเหมือนนายกแต่เขาฝืนนายกก็มีเนอะร่างกายแต่ว่ามันอยู่บังคับของใจหมดมันไม่อยู่เนอะมันเหนื่อยมาแล้วบอกว่าวิ่งเสี้ยวมันไม่ไป <laughs> ขึนบนภูทำไมไม่บอกมันวิ่งมันรูยวิ่งไม่ได้มันก็ฝืนมันสู้มันู่สู้ข้อต่อครูถ้ามันเหนื่อยมากๆบอกให้มันลุกเองมันก็ลุกไม่ได้นะเหมือนรถคนขับถ้าดินน้ำไฟลมไม่สมดุลกันบอกให้มันไปมันก็ไม่ไปร่างกายก็เหมือนกัน ร่างกายก็เปรียบเหมือนรถใจก็เปรียบเหมือนผู้ขับรถเวลารถมันยังใหม่อยู่ก็เรีบทําประโยชน์สะฉันใดก็เหมือนกันเวลาร่างกายของเราเคลื่อนไหวไปได้อยู่ก็รีบทําความดีสัก ถ้าแปดสิบเก้าสิบจริงเส้นลมปานอย่างนี้มันก็เป็นสถานหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนเอ๋ยหายใจเข้าไม่ออกก็บอกว่าตายหายใจออกไม่เข้ากพเล่าวาตายพระบรมศรราสราถามพระอานุนอานเอ๋ยเธอพิจารณาความตายวันละกี่ครั้ง ร้อยครั้งพระเจ้าค่ะเออเธอยังประมาทอยู่นะอาหนุนนะทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีนะอาหนุนแต่พวกเราไม่ค่อยจะพิจารณาเที่ยงเพราะว่าเป็นโชคลางไม่ดีมหพลามีห า, นาอนิสงสามีอานิสงส์มากขาดประมาณไม่ได้ส่วนภาวนารมหายใจเข้าออกมีอานิสงส์สามคิพประการ กายกตาสติพิจารณากายให้เห็นว่าไม่งามน่าเกียบชกโรกนับแต่เกศาโรมาลงลงไปมีอานิสงส์ยี่สิบประการภาวนาผมวิหารมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการภาวนาพุทโทธตรมโสังโฆมีอานิสงส์สิบสามประการพิจารณาความตายจะมาถึงตน มหาภรามหาในสังสารหาประมาณไม่ได้มีอนันยงมากเพราะผู้นั้นจะไม่นอนใจในวัตะสงสารผู้นั้นจะไม่พยายามเก็บของส่วนตัวไว้ว่าและเวลาจะสิ้นลมพานผู้นั้นก็จะไม่กระเสือกกระสนพระได้พิยาตามเป็นจริงอรรถศาสตร เราตถาคตก็พิจารณาความตายเป็นอารมณ์เหมือนกันตกองลมให้ใจเข้าออกมหาพรามหานิสังสามีอานิสงศ์เราเคยพิจารณาความตายเป็นอารมณ์เหมือนกันแว่นหนึ่งเราป่วยมากอยู่ที่กับองค์ลปปมั่น ไปถ่ายเป็นริมเป็นแท่งออกสามชิ้ครั้งมีแต่เลือดเป็นแท่งเป็นแท่งออกสามชิ้ครั้งละวันนั้นเป็นแท่งเป็นแท่งออกทำไมเราจึงถ่ายอย่างนั้นก่อนที่เราจะถ่ายอย่างนั้นเราไปแบกฟืนในฤ ด, ดูฝนตเต็มแรงเลยเราไปลมคุ้มปวกเหยียบลงลมลง กุกเข่าทันคุกเขากันทิ้งฟืนทันกันเพราะในเวลานั้นอายุสามสิบปีในระหว่างสามสิบแต่เดี๋ยวนี้มันแปบแล้วนะแล้วคีบกว่าแล้วทิ้งฟืนทันแต่ว่าเขานะ่าฝังลงนี้นี่ฝังลงนี่ฝังลงแต่ว่าเป็นดินรดูฝนมันเป็นลุม ป, ปวกบ้าง ก็หลมหลุมตัวร้องสั่งลงเองเท่งฟืนทันดูมาเดือนหนึ่งถ่ายเป็นแท่งเป็นแท่งมา แ, แท่งออกขนนี้ไม่ปวดไม่ปวดท่อแต่ว่าเหนื่อยมากถ่ายเป็นริ่มเป็นลิม่มออกขนาดนี้กูจะมองดูกูตาย กูเห็นแต่คนอื่นตายกูจะมองดูกูตายมันจะตายพรอมกับลมเข้าหรือลมออกกูจะจ้องดูมันตายนอนตะแคงข้างขวาเลยนอนตะแคงข้างขวาก็นอนแบบนี้เลยนอนแบบนี oh, ้ no, no, no, no, no. เวทกรรมไปนานครึ่งชั่วโมงไม่ตายไม่ตายคำของพระองค์จะตายไปไหนลมเข้าก็ไม่ตายลงออกก็ไม่ตายไม่ตายไม่ตายพ่อเราลงเข้าลงออกเอาไหว้กลับ ที่ลมมากระทบพัดเข้าไปเลยในนี้บริกรรมม่ตายเขาก็ลงทข้าหอกเหาะขึ้นไปทะลุเลยกุฏิเหาะไปทักขวาทะุเลยกุฏิขวางอยู่ข้างบนดูน้าที่สุดนี่ขวาอยู่อย่างนี้ ว่างื่อนี้นี่สิมันจริงเป็นสมาธิมันพูดอยู่ข้างบน <c oughs> นี่สิมันจริงเป็นสมาธิ <c oughs> นานเท่าไรไม่ทราบเวลามันถอนออกมาทีมันก็มาพับเหมือนกันเวลาเข้ามันเข้าพับเวลาถอนมันก็ถอนพับเหมือนกันก็มาเห็นลมออกลมเข้าเ่า โรคอันนั้นเงียบไม่เห็นทีเพราะมันถ่ายหมดแล้วกำลังมันก็เลยเงียบปุ๊ดทีพอเปิดตอนตอนค่ำผมนอนไปกลางวันตอนกลางวัน ผมพิจารณาว่าตายตายตายตายแล้วก็ผมเลยพิจารณาว่าไม่ตาใไม่ตายผมก็นอนหลับไปผมปรากฏว่าขวางอยู่ข้างบนเราพูดขนาดนั้นพูดค่อยคอะไรอะไรหลวงปู่ว่นอะไรอะไรหลวงปู่วานอยู่นี่หลวงปู่ว่านอะไรอะไรเลยกราบถูนท่านอย่างนั้นอย่างนั้น น, นัเออมันไม่ใช่นอนหลับแล้วก็พูดบอกว่านอนหลับถ้าไม่นอนหลับเราไปตัดทินเราเองหลับไปปรากฏว่าเหาะขึ้นบนอากาศเราพูดอย่างนั้น แต่มันไม่หลับเราก็พูดว่ามันหลับมันไม่หลับมันไม่หลับมันมันรวมในเวลานอนพูดนะสมาธิชนนั้นมันก็อยู่ใต้อำนาจอานิจจังมันกันหมดกำลังมันก็ถอนออกมาเราก็พลิกยานารงสูอานิจจังอีกเหมือนกันลมเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่งลมออกก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่ง ให้ชัดนิมิตมาเห็นก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่งนิมิตแสงเดือนแสงดาวเรารู้สั่ทำสระการนี้เพับเข้าไปเงียบเลยนี่มีแต่ผู้รู้อันเดียวอยู่นี่ลมเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่งลมออกก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่งให้ชัด นิมิตมาเห็นก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึง่งนมิตแสเงเดือนแสียงดาวเรารู้่ทำสามประการนี่เพับเข้าไปเงียบเลยนี่มีแต่ผู้รู้อันเดียวอยู่นี่ไม่ได้ว่าอะไรละไม่ได้นึกอะไระมีแต่ผู้รู้เบาวิวอยู่ น, นี่แบบหนึ่งหูไม่ได้ยิน ผมไม่ได้ยินเลยเวลามันกําลังมันถอนออกมาพักเหมือนกันมันเข้าพักมันก็ออกพักเหมือนเราเปิดประตูนถ้ามันสมมติหรอกมันเข้าปุ๊บอย่างนี้มันก็ออกปุ๊บอเหมือนกันแบบหนึ่งมันไม่ปรากฏเลยแบบหน่งแต่อิสัยของเราไม่ค่อยติดอยู่ในนิมิตทั้งหลายเมื่อเห็นนิมิตไปแบบหนึ่งเราหายหายใจเข้าออก เราเวลาหายใจออกเราแห ว, วกแหวกร่มออกไปเราก็ตามนี่อันนี้มัดเกิดนิม็ดเนี่ยมัดเกิดนิม็ดมากถ้าเราเอาไว้ที่รอรมไม่ค่อยเกิดนิม็ดนิตหรือเอาไว้ไว้จมูกก็ไม่เกิดนิม็ดไม่ค่อยเกิดแบบหนึง่งเวลาหายใจเข้าอันนี้ก็ไกลไปไม่ดีไกลไปไกลเกินไปเวลาหายใจเข้า ต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่ท่าม อ, อกท้ายลมอยู่สะดือเวลาหายใจออกต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หน้า อ, อกท้ายลมอยู่นี้อันนี้ไกลไกลไกลมากอันนี้พวกที่ภาวนายุหนอพองหนอนะ่ยก็ถูกเหมือนกันอเพราะคับส ต, ตนะิยุบหนอพองหนอ พวกนั้นมองมองแต่ยุคหนอพองหองอันนี้พวกนั้ น, น, น, นก็ถูกเหมกันเพราะคัดสติเชเราจะพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพวกเราจะพิจารณาอย่างไรลมหายใจเข้าพอเราบรรดาบว่าต้นลมมันกลายมาเป็นกลางลมพอบรรดาบว่ากลางลมเป็นกลายไป็นใต้ลมแล่วมันก็มีทั้งเกิดทั้งไปทั้งดับอยู่ในตัวหาระหว่างไม่ได้ ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนาตาชัดตรงตึงกันในขณะเดียวส้าำลักงกันิิบเทวราพระอิศมไม่ได้กาลังนะเดี๋ยวก็สำคัญตัวอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราจะพิจารณาอนิจจัง เราก็เห็นไมมเที่ยงไม่เที่ยงคอามกำลมเข้าลมออกถ้าเราจะพิจารณาทุกเราก็ต้องเห็นว่าทุกทุกความกำลมเข้าลมออกถ้าเราจะพิจารณาอนัตตาเราก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความกำลมเข้าลมออกไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นพวามกำลมเข้าลมออกอันนี้กรรมฐานสูงนี้ความจริงแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตามันอยู่คนละมุมโลกเนอ อยู่รวมกันอันเดียวกันเป็นขณะจิตของเราเห็นเฉยๆความเกิดแก่แก่ตายก็มาได้อยู่คนละมุมโลกก็มีในขณะเดียวกันนั่นเองแต่เป็นเพียงเราสติปัญญาเราไม่ชัดก็เข้าใจอยู่คนละขณะเช่นดินน้าไฟลมเดียวนี่อยู่คนละขณะดอกหนอก็อยู่ในขณะเดียวกันนั่นเองคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่คนละขณะดอกหือก็อยู่ในขณะเดียวกันนั่นเองเป็นเพียงเราบัญญัตต่างหากนั่น ไอ้แท้ก็มีจริงอยู่หมดแล้วแปดหมื่นที่พระธรรมขันธ์ก็จริงอยู่หมดแล้วฝ่ายสังขารก็จริงอยู่ไม่มีกลงวันคืนฝ่ายวิสังขารก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันคืนเป็นเพียงเราไปเห็นเราไปบัญญัติต่างหากไอ้ทีแท้จริงถ้าบวมมารวมอยู่หมดในปัจจุบนะันแล้วมรรคผลเนี่ย่านก็รวมอยู่หมดในปัจจุบนะันแล้วทางผิดก็รวมอยู่หมดในปัจจุบนะันแล้วถ้าเราไปทางผิดเช่นไฟธาตนะุดินน้ะไฟลมมัดก็มีอยู่ในปัจจุบันหมดแล้วไม่ใช่หวะ เราพิจารณาถึงไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาถึงน้ําน้ําจึงจะมีเราพิจารณาถึงลมลมจึงจะมีเราพิจารณาถึงดินดินจึงจะมีอย่างนั้นมันไม่ถูกยกเขาไม่รู้ทำเป็นจริงมันมีอยู่ก่อนเราแล้วเหตุฉะนั้นแปดหมืนสีพ่พระธรรมขันธ์รวมลงในปัจจุบันนกจิตปัจจุบันธรรมนั่นเองไตรสิกขากรลงรวมลงในปัจจุบันนกจิตปัจจุบันธรรมนั่นเอง สินห้าก็มารวมพลอยู่ในปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีสินห้าหรือไม่ก็มีสิเพราะมาแด้ไปฆ่าสัตว์รักษาประพฤติในการมนั่ไปใส่ความพระเล่นเฉยๆละไมันก็ไม่ถูกปาน้ากับปลาน้าด้วยแต่ออกไปแล้วก็ฆ่าสัตว์กินเล่ามันก็ไม่ถูกกัน เราจะเอาพระพุทธธารูปไว้ที่ไหนเราจะเอาคุณพระพุทธธรรมประสง์ไว้ท mmm yes like ี่ไหนก็เอาไว้ท LIKE ี่ใจเราสิมันจึงหาง่ายถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจผู้หาก็ใจเป็นผู้หาถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจความมีความชั่วก็เหมันกันเพราะใจเป็นผู้เห็นนให้ตาไปหามันก็ไม่เห็นให้หูไปหามันก็ไม่เห็นให้ร่างกายไปหามันก็ไม่เห็นหาพระพุทธธรรมประสงหาความมีความชั่วถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจ ถ้ารู้ก็รู้อยู่ที่ใจถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่ที่ใจถูกไหมพูดให้ปฏิบัติง่ายเดี๋ยวจะสายหานั่นหานี <c oughs> ่ใครเป็นผู้หากอใจเป็นผู้หา <c oughs> ถ้าใจไม่หลงใจตอนใดใจก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นถ้าไม่ใจไม่หลงใจโดยสิ้นเชิง ใจก็รู้เท่าทาโดยสิ้นเชิงใจไม่มีสติจะเอาอะไรมาเป็นสติก็เอาอันมีสติมาสู้มันใจที่มีโกรธจะเอาอะไรมาสู้มันก็เอาอันที่ไม่โกรธมาสู้มันใจที่มีโรคจะเอาอะไรมาสู้มันก็เอาอันไม่โรคมาสู้มันนะน ใจที่เกียรข้านจะเอามาอะไรมาต่อสู้มันก็เอาอันที่ไม่เกียดข้านมาสู้มันไฟไหมเมืองใจก็เอาหน้าเมืองใจดับปัญหามันเกิดขึ้นที่ใจก็ต้องใจแก้สินั่นจะไปเอาอันอื่นมาแก้มันก็ไม่น่ายใครเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นใจเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นก็เอาใจที่แก้นั่น ที่นี่ท่านฟือน่อนอะไรจะป่ารกอะไรก็ป่ารบสะเหนื่อยไหมเบือ่อไหมเยอะหนิอยากนอนไหมต้องการนอนไหมเออที่นี่พากันพักกันนะนี่นี่อะไรอ่ะเออเอเอเนี่ยใช่ไหมอีกครับ ม, มาจากใครอะฮะเออว่ากันว่าทีนี้ท่านพูดอะไรปารบอะไรจะถามอะไรก็ให้มีสิทธิ์คนเดียวพูดมันเบื่อหูใช่ไต้องกนารจะพูดอะไรก็ให้มีสิทธิ์พูดขึ้นมาเอ้าถ้าพูดคนเดียวมันเบือ่อเราไม่มีสิทธิ์จะพูดพูดแทนเขาลุกขึ้นให้ผมพูดบ้างเขาว่าอย่างนี้น ยังได้หนังสือเอออยังได้ก็เอามาค้าซื้อเอามาเหยไม่ให้เขาพูดไม่ให้เขามีสิทธิ์พูดแทนเขาเจอขึ้นผมขอพูดบ้างครับ <c oughs> ี่เหมือนกัน <c oughs> ทำดีก่อใจเป็นผู้ทำพุทธธรรมสงฆ์นี่ผ่าน พุทธแท้ทำแท้สงแท้ก็คือพระนรพาพุทธจำสงฆ์เบื้องต้นก็คือสุปฏิปนูพุทธจำสง์เบื้องปลายก็คือพระหลนันต่ำกว่าสุปฏิปโนมาก็เป็นพุทโทเลขพุทโทผาพุทโธบัตพุทโทเบอร์ทโมเลขกโมผาทำโมบัต ท, ทำโมเบอร์ให้ทานเพื่อตอกการเลขรักษาศีลเพื่อกลองต้องการเรียกต่ำกว่าพระโสรดาบันลงมา ไปหาพระ ก, ก็ต้องการเลขไม่ไม่ต้องการมักผล涅槃นะตาขอพระโสดาวันลงมาไปวัดก็ไปเพื่อหาเลขอยู่บ้านก็เพื่อหาเลขไปไหนก็ไปหาเลขพวกนั้นโลกีนอนก็นอนฝันหาเลขพวกนั้นโลกีพวกโลกุตระก็นอนฝันเห็นพระเห็นมรรคผลาพานะ และกายสังขารวิกีสังขารก็ช่วยแต่ว่าทาขึ้นจากดินน้ำไฟลมวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังจะเอาเป็นที่พึ่งกันอั น, กนเกษมก็ไม่ได้เหตุนั้นจึงปฏิบัติสินธรรมอารมคติเกิดขึ้นจากกุศลจากความดีที่ทา ในด้านจิตใจอุดมคติที่เป็นโล ก, กุตระก็สามารถถึงภารันอุดมคติที่เป็นโลกีไม่รับเข้าบัญชีเลยวัตถุนิยมที่ได้มาในทางบริสุทธ จึงปฏิบัติพรมไมจันสะดวกที่ได้มาในทางที่ไม่บริสุทธิ์ก็ปฏิบัติพรมไม่จันไม่สะดวกเหมือนกันที่ได้มาโดยภิจิตไถ่แร่ๆขอๆเรียๆอะไรๆจัดการจัดงานขึ้นในวัดมาภาวนาก็ยากยิ่งกว่ได้มาในทางที่ไม่ชอบวัตถุนิสง วัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ชอบปัจจัยสีส่จีวันเ็นเทมาบินธบเจนาสนะนเพศัมันได้มาเองโดยไม่แผ่ไม่ขอไม่ทำวจีวินยัตนี่เรียกว่าปฏิบัติง่ายปฏิบัติพระคนผ่านก็ง่าย <S <S เออเดี๋ยวนี้ขาดอันนัตอันนี้แล้วค่อยช่วยอันนัตเนี่บ้าง เราก็ททำอันนี้อันนั้นมาเรียกว่าวัตถุนิยมได้มาในทางที่ไม่บริสุทธิ์ก็ภาวนายากวัตถุนิยมที่ได้มาในทางบริสุทธิ์ก็คือไม่ได้มีวจีวินยัดขอในทางตรงในทางอ้อมรึกและตื้นเขาเป็นมาเองอันนั้นเป็นวัตถุนิยมที่ปฏิบัติเพื่อมรคนิพพานสะดวก วัตถุนิยมที่ได้มาในทางเลขทางผาที่พระไปบอกเป็นบางข้างบางข่าวอันนั้นวัตถุนิยมอันนั้นจะดึงลงนรกลงไปทางขิบหายชิบหายทักพระเลยวัตถุนิยมที่ได้มาในทางดูลายไม่ลายมืออย่างนั้นอย่างนี้อยู่ยงคงกระพันอะไรนั้นก็เป็นทางไม่ ไม่เหมาะสมกับมรรคผลที่พาคัดกันคัดกันเหมือนกับทุนัขสุนัขข้า บ, บ้องเขาลามเดินไปถนนเคยเห็นไหมมันขวางมันข้าบอย่างนี้วิ่งเคยเห็นไหม มันปฏิบัติพระมจรไม่สะดวกคำสอนพระพุทธศาสนาสอนละเอยียาละ อ, อมาไปถ่ายอุจระก่อสอนสทานอาหารก่อสอน นุ่งห่มก็สอนนุ่งห่มเป็นปริมณฑลคือนุ่งยังไงข้างบนเหนือสะดือนุ่งให้เป็นปริมณฑลข้างล่างเพียงครึ่งแค่งห่มก็เหมือนกั น, กนถ้าห่มอยู่ในวัดเฉียงบา่าถ้าห่มข้าวบ้านก็ปิดหล้มคอ พิสูจพิงทำความศึกษาว่าเราจับนุ่ให้เรียบร้อยเราจับหงมห้เรียบร้อยสอนมดพระพระมาศสตร์ใครจะสอนเก่งเท่าพระบรมศาสด า, ษาไม่มีเลยหัวกัเมเรก็สอนสอนคารวะไม่ได้เลือกสอนแต่พระเนอพวกลูกหลานอยู่ทางคารวะอย่าไปล่วงอาบายมุกเนอพระบระมาศาสดาแข่งว่าแข่งเรื่อ อบายมุขทั้งนั้นหลยตีก๊อปทีแก๊ปก็อบายมุขทั้งนั้นเลยเ ต, ตะกอก็อบายมุขฟุตบอลก็อบายมุขนักมวยก็อบายมุขเหมือนกันเพราะเอาแพ้เอาชนะกันเพราะลงเงินกันตรวจนางงามก็อบายมุขนางงามผีบ้าไม่นุ่งเสือ้อนุ่งผ้าทุกวันให้คะแนนกันผู้ให้คะแนนก็ผีบ้า ผู้ไปทำอย่างนั้นก็ผีว่าผีว่าให้คเนียนกันนานไปนานไปก็จะไม่ทำอย่างนั้นเน อ, อนิยมกันใครไม่นุ่งไม่ห่มเปลือยกายเลยคนนั่นจะได้ที่หนึ่ง <laughs> พวกเราไม่เคยได้ยินแต่ก่อนแต่ก่อนรัชกาลที่หกไปตรวจนางงาม ก็นุ่งเพียงเครื่องแคงเลยการเกงก็ไม่มีซ้ำสมัยนั้นก็มีแต่ผ้าสิ้นหรือนุ่ง่งกระเบนอย่างมากแต่ทุกวันนี้ก็ทำตามสมัยของมันแต่ก็ไม่เลยเถิดอันนุ่งน้อยมันเลยเถิดแล้วเกินเกินไปใช่แล้วเนี่ยคุณหนูอย่าไปทำกับเขาเนะ จงเว้นมันมันไม่สมศาสนาพุทธเขาทำอยู่ประเทศอื่นช่างหัวเขาเรามาทำในประเทศไทยเราเสียเปรียบกเก่งๆัง น, นี่หนังลามกกอดเสียเปรียบเนอมันในประเทศของเราไม่ควรถ้าเราถ้าเราเป็นพระผู้ใหญ่เราจะไปขอเราจะไปขอ หนึ่งขอแผ่ชาวโลกประเทศไทยของเราไม่ให้มีอบายมุกเพราะอบายมุกนี่เองมันทำให้ทรัพย์สินยับเยินชิบหายไปทำให้เป็นหนี้เป็นสินเสียด้วยอมาจัอบายะมุกเขตเครื่องชิบหายหกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบผู้หวังเจริญด้วยภกระทัพ จงเว้นเหตุเครื่องขิดหายหกเก่านี้เสียพระบรมศาสดาเพราะพระบรมศาสดาเป็นคนเอกในโลกดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันกดคนชั่วเป็นมิตรเกียดข้านทําการงานผู้หวังจเจริญด้วยพวกกระซับจงเว้นเหตุเครื่องขิดหายหกเก่านี้เสียพระบรมศาสดาที่นี่พวกเรา จะมาส่งเสริมอบายยมุขสาะนังคัจฉามีอย่างนี้ก็ไม่ไว้ที่พวกชาวโลกเราประเทศอื่นสร้างหัวเขาประเทศไทยเราก็ไม่ควรเพราะศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่สมฐานะเฉลี่พระที่ส่งเสริมอบายยมุขจะบวชร้อยพรรษาก็จ้าม จะเดินจงกรมภาวนาจนตลอดรุ่งก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงสุปฏิปันโนใช่ไหมอจยเรียนจบ พ, ะพระไตรปิฎกกีประโยค ก, ก็ตามถ้ายังยินดีในอบายมุขกูก็ไม่ใช่สุปฏิปันโนทุปฏิปันโนมันใช่สุ ธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าส e э <ita> e ิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัฏถัญญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบืงต้นอันนี้เห็นชอบเห็นสิ่งที่ชิบหายตามเป็นจริงว่าสิบหายเห็นสิ่งที่เจริญตามเป็นจริงว่าเจริญเรียกว่าเห็นชอบเห็นสิ่งที่เป็นโลกีว่าเป็นโลกี ตามเป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นโลกุตระว่าเป็นโลกุตระเรียกว่าสมาทิฏฐิเหมือนกันเห็นชอบเห็นกรงจักว่าเป็นดอกบัวเห็นเจ้าหัวไปผูกเอาเล่อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงตรนนี้มันเป็นมิจฉาทิฐิแล้วจะมาบัญญัติว่าสมาทิฐิสักอย่างไหนมันก็ไม่ไปด้วย เสื้อเมรยะมันบัญญัติเป็นมิจฉาทิิกินเป็นระยะมันไม่เป็นอะไรหรอกเขาพูดอย่างนี้มันก็เสีทรัพเป็นระยะก็เกิดโรคเป็นระยะต้องทิเตียนเป็นระยะระยะรู้จักอายเป็นเป็นระยะไม่รู้จักอายเป็นระยะระยะทอนกำลังเป็นระยะระยะเกิดวุ่นวายมา ก็ไปดื่มสุดาแก้แค้นมันก็เพิ่มแค้นเข้าอีกกินมากก็ถึงกับได้เขาน้ำเกลือมันเพิ่มแค้นเข้าไปอีกเพื่อให้หายง่วงเพื่อให้หายกังวลมันก็ไม่หายก็พระผีบ้ากับเรื่องผีบ้า เมาแล้วไปขับเครื่องบินก็พีบ้าขับก็พิดคนภูเขาซะนั่นอาถรรในชุรามันมันผิดเ่ยเดี๋ยวไปกระโดดเหี้วตายหมูเดียวกันก็ฆ่ากันตายนั่น <c oughs> เขาทำไว้ทำไมชุรา <c oughs> เขาทำให้คนพีบ้ากิน <c oughs> ใครไม่มีเป็นพีบ้าเขามัจกินดอก เอาล่วนะทีนี้นะเหนื่อยนะเล่นกันนะใครจะถามก็ถามเลยใครจะถามอะไรก็ถามไม่มีสิ่งที่ถามนะไม่มีด้านภรรมะนายก็ถามอะไรก็ถามสัโรกนี้เป็นของใครโลกกัใครเป็นเจ้าของ ฮะนะให้สมาธิเร็วจะให้มีสมาธิเร็วไม่ยากเพราะเราสันโดดขอสันตุวถีประบตัวนังความสันโดดเป็นทรัพย์อย่างยิ่งแล้วสันโดดแต่กรรมฐานที่เราตั้งไว้มันก็รวมเท่านั้นเราตั้งลมให้ใจเขาออก พิจารณาความแก่ความเก็บความตายคนอี่นพิจารณาลงให้ใจเขาออกแล้วไปคั่วอันอื่นมาตะเพิดตะเพิดกไปอีกมันไม่สันโดษมันสันโดษอยู่สิ่งอันเดียวมันก็รวมเท่านั้นถ้าพุทโธก็พุทโธอยู่แต่สิ่งอันเดียวฉันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพอย่างยิ่งฉันทะพอใจรักไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยเพื่อนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฟักไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิมังษามันติต้องพิจารณาในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วจักอาจชักนําบุคคลนี้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งวเิเดวิสัยศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ทำห้าอย่างนี่เป็นพระธรรมคือทำมีกําลังห้าอย่างกลมกลืนกันเป็นเชื่อกห้าเสี้ยวอยู่ในปัจจุบันก็ให้มันพักซะอย่าไปวุ่นมันเด็กก็มันการมันนอนหลับไปวุ่นมันรูวมันก็ลุกขึ้นมันก็รไม่ตก ตกใจก็สร้างมันให้มันพักไปสักมันหมดกำลังเราก็สอนออกมาเองเมื่อเด็กนอนหลับเราไปรบกวนมันมันลุกขึ้นมามันก็รบกวนเราอีกเนละ <c oughs> พักก็หมายความว่าให้รู้จักรถของสมาธิมีเพียงเท่านี้หนอหรู้จักเราทำงานก็เหมือนกันถ้าไม่พักก็ไม่ได้กำไร ก็ไม่ได้งานถ้าพักนานก็ไม่ได้งานอีกเหมือนกันถ้าไม่พักก็ไม่ได้ทำอไรก็ก็ไม่ได้งานอีกเหมือนกันเพราะมันเหนื่อยเกินไปผู้ที่เขามีกำลังมากเขาก็ไม่พักเนอะเดินทางก็เหมือนกันถ้าไม่พักก็ไม่มีกำลังถ้าพักมากเดินมนทางก็ไม่ได้เพราะยังไม่ถึงที่สุดสมาธิก็ทำใจให้สงบเท่านั้เพื่อให้รู้รสชาติของมัน สมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดตายคาสมาธิก็ไปเกิดพุทโลกยังไม่พน้นปัญญาจึงจะพ้นปัญญายักปฏิสุทธิ์สติตบุคคลจะปริสุทธิ์ต่เพระปัญญาบุคคลจะไม่ถือมั่นก็เพระปัญญาบุคคลจะสิ้นกิเลสก็บพระปัญญาบุคคลผู้จะ คณะความหลงก็พระปัญญาสมาธิก็ห้ามมาให้ติดอยู่เนอะให้รู้จักรสมันแล้วก็ให้พิจารณาแม้ปัญญาก็ไม่ให้ติดอยู่อีกเหมือนกัน ไม่ไม่ไหมาหคามอย่างนี้คำว่าสันโดดสันโดษที่ตนหามาได้ในทางที่ชอบคาว่าสัโดดเราจะหามาได้เท่าใดก็ก็ไม่ห้ามขอให้ได้มาในทางโมโิดุจ พุทธาตาวิมุเตนะคนมันย่อมาหาท่าได้เขาบรุษนาลาส่งเริว่า ไ, ไปเบียดเบียนของคนอื่นมาเป็นของตนท่านบอกว่าเรียกเขาเป็นสันโดษ น, น, นะเข้าใจนะไปไปชุกนะ <ไป S 2> ชุกไปคำว่าสันโดษก็สันโดษเท่ากำลังที่เขาลององของตนที่ทำได้จะไปเบียดเรียนผู้อื่น าาวุฒิตาเวียนทัตเตย์ธนางคนหมั่นย่อมหาสรัพยได้ท่านให้อใหใหใหสอนให้กรหมั่นให้ขยันน่ไม่ได้สอนให้คนเกียดข้ามคาว่าสันโดษไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ทําอะไรก็ให้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ทําเดินจงกรมภาวนาจนตลอดรุ่งท่านก็ไม่ว่าผู้ธรรมาหาเลี่ยงชีวิตก็เหมือนกันให้ขยันน่ไม่ได้สอนให้คนเกียดข้ามหรอก แต่เราไปยัสำรวดไม่ถูกหรือไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําอะไรคําว่าสนโดดให้สำโดจแต่ของที่ตนทํานามาได้ไม่ให้แบบเบียดเยียนั่านอื่นเรื่องของสำรดจแต่ของที่ตนทำมาได้เบียดเรียนของผู้อื่นเรียกว่าไม่สำโดจไปกินตับกินดีของคนอื่นเขาเรียกว่าไม่สำรวจเพราะมันไม่อยู่ในวงแหนอิสุกอิสระของตนมันย่อมหาทรัพย์ได้ไม่ใช่มันเล่นเรียกเล่นหา ไม่ใช่มันรักขโมยมันทํางานในทางที่ชอบเกี้ยวข้านในทําการงานมีโทษหกมั่ใครอ้างว่านอนนักแล้วมาทํางานไม่ใครอ้างว่ารอดนักแล้วมาทํางานไม่เคยอ้างว่ายังเช่าอยู่แล้วมาทํางานมั่ใครอ้างว่าหิวนักแล้วมาทํางานมั่ใครอ้างว่า ระหายนักแล้วเอามาทํางานมักเครอ้างว่าเย็นราเย็นแล้วแล้วมาทำงาการงานผู้หวังเจริญพูพ้กระทับจงเว้นเหตุเครื่องฉิบหายเหล่านี้ใช่ไหมพระบรมศาจารมันก็มักอ้างเหมือนกันเออมันยังยังเศร้าอยู่ยัง น, นักเหนียวนักระหายนักร่อนนัก <c oughs> นนะมันก็ปัดวันประกันภูมิอยู่นะั่นแหละ ก็ปูมันฉันพอดีคือฉันยังไงฉันอาหารยังอีกคือห้าคำจะอิ่มและห้ายุชั เดือนหน้าแล้วพอดีนอนพอดีคือนอนยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งบวกหลับเข้าประมาณสามชั่วโมงพอแล้วตคเรียกว่านอนพอดีอปน ก, กปัปปะติปทาสูตรคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างอินทรีสังวรสัมวมอินทีหกคือระวังตาหูจมูกลิ้นมาให้ กายใจมาให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลมรถถูกต้องพระทวายด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจไม่ให้ยินดีินราเหตุฉะนั้นท่านจึงสอนให้นอนตะแคงข้างขวานั่นเองเหมือนนาจสี่าจสีนอนตะแคงข้างขวาถ้าวันไหนรู้สึกมาแล้วไม่นอนอยู่ตามเดิมนาจสี่ไปหาอาหารเลย หรือว่านอนไม่มีสติลุกขึ้นทำไมจึงให้นิยมให้นอนตะแคงข้างขวาเพราะจะลุกขึ้นง่าย